อาการหนักมากพที่อย่างเขาก็ตกใจนะจะเรียกว่าช็อกไปเลยก็ได้เขาบอกว่าเป็นลมไปเลยพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็อย่างแรกที่นึกถึงก็คือว่าต้องไปเยี่ยมภรรยาแต่ว่าไม่มีเรือแรงขับรถ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 ไอความคิดว่าภรร ย, ยากำลังจะตายเนี่ยมันมันชัดเจนมากพอเพื่อภรร ย, ยากำลังจะตายแล้วก็มาพบว่าภรรยายัางปกติดีอาการสาสองครบเนี่ยก็มีความสุขคนเราบางครั้งเนี่ยนะไม่ได้มีความสุขเพราะว่าได้อะไรมานะแต่มีความสุขเพราะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองรัก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 แล้วกลับมามองว่าไอ้ตอนนี้มันยังอยู่กับเรานะเพียงแค่นี้ก็ทำให้เรามีความสุขนะได้ง่ายแล้วอัตมาชืวว่วเราจะรักตาเรามากขึ้นตาเนี่ยคือในตานะถ้าเกิดว่าเราลองสมมติว่าเป็นคนตาบอดสักวันหนึ่งมันก็มีคนนะที่เขาเป็นดาราแล้วเขาก็ไป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 กิ่ว่าที่มันเคยทําได้ปกติมันกลายเป็นความยากยากลําบากมากอ่านเฟซบุ๊กก็ไม่ได้เล่นไลน์ก็ไม่ได้นะดูหนังก็ไม่ได้นะไม่สามารถจะเห็นหน้าคนรักไม่สามารถจะเห็นของสวยของงามได้มันจะรู้สึกทรมายมากเลนะแล้วยิ่งถ้าคิดว่าเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเนี่ย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 วันออกกลางวันหนึ่งก็ไปรับจ้างมันทำงานเหนื่อยแต่ว่าได้ค่าตอบแทนแค่ยี่สิบาทนะสมมติว่ยี่สิบบาทนะเขากลับบ้านนี่เขาก็หงุดหงิดมากหัวเสียเลยนะเหนื่อยทั้งวันได้มาแค่นี้เองไอ้เงินยี่สิบาทนะเขาไม่เห็นค่าของมันเลยก็แทบจะขว่างทิ้งเลยนะโยนดยวยบนโต๊ะ ไม่คุ้มค่าเลยอุตส่าห์เหนื่อยก็เพอร์เอินเพื่อนมาเยี่ยมแล้วเ็าก็กบนนะน่นให้เงินกิ๊กก๊กนะยี่สิบบาทนี่ทำแทบตายได้มาแค่นี้เองไม่คุ้มเลยบ่นไปบ่นไปมีช่วงหนึ่งนัทสโลิงก็เข้าห้องน้ำเพื่อนก็กเลยถือโอกาสนะซ่อนเงินนั้นนะให้เหรียญยี่สิบอะ มันเป็นเหรียญนะมันไม่ใช่แบงก์นัสรุดินออกมาจาห้องน้ําหาไม่เจอพอหาไม่เจอก็เสียดายตอนนี้เริ่มเกิดเสียดายแล้วหาใหญ่นะเฮ้ยมันหายไปไหนนะหายไปไหนก็หา ย, ยนั่นแหละก่อนหน้านั้นยังบอกอยเยอะเงินไม่ค่อยมีค่าเงินมันกิ๊กก๊อกจิบจ้อยนะตอนนี้หาแล้วหาอยู่นานนะเป็นชั่วโมงหาไม่เจอพอนัสรุดินนัสรุดินเผลอนะเพื่อนก็เอาเงินฮะเงิน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 เมื่อไหรจะกลับบ้านลูกกบอยกินไปก่อนพ่อก็ไม่ยอมกินรอลูกกลับมาลูกกลับมาถึงบ้านสามสี่ทุ่มพอบว่าข้าวนี่พ่อยังไม่ตแตะเลยนะก็ในแง่อหนึ่งรู้สึกผิดใ่ด้านอีกแง่หนึ่งก็สึกว่าพ่อนี่นะี่ยทําไมทําให้มันเป็นเรื่องยากแบบนี้ทำํำไมไม่กินข้าวนะบันที่ก็ว่าพ่อนะทำไมไม่กินกนะ็ เ, เป็นงนี้อยู่นานนะบางวันก็กําลังสนุกสนานกับเพื่อนนะ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 ไม่เห็นคุณค่าของเสียงโทรศัพท์นะของเขาก็ต่อเมื่อเขาจากไปแล้วไม่เห็นคุณค่าของการที่ได้ไปเที่ยวกับเขาด้วยกันก็ต่อเมื่อเขาไม่อยู่แล้วนะแต่ทำไมเราต้องมามาเห็นคุณค่าหรือมีความสุขนะเมื่อเขาไม่อยู่แล้วทำไมเราไม่เห็นคุณค่าของเขาขณะที่เขายังอยู่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 ต้องสูญเสียไปหายไปเนี่ยถ้าเรารู้สึกจริงๆนะว่ามันจะต้องเกิดขึ้นถึงแม้ตอนที่คิดเนี่ยอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจแต่พอเราพบว่าคนเหล่านั้นของเหล่านั้นยังอยู่กับเราเราจะดีใจเราจะเห็นคุณค่าเราจะไม่เออเมินเฉยนะอันนี้เป็นประโยชน์ของการจเจริญมรรณะสตินะ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 แทนที่เขาจะทุกข์นะพอเขาจะลงพิบาลนี่เขารู้สึกเลยโ อ, โอ้โลกทั้งโลกนี่มันสว่างสวัยเลยนะรู้สึกว่าชีตนี่มันกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่ลมสายลมเอ้ยต้นไม้เอ้ยนะดอกไม้เนี่ยมันสวยงามแต่ก่อนไม่เห็นมันสวยขนาดนั้นเลยนะเวลาเห็นลมพัดเวลามีลมมาพัด ส, สัมผัสกายนี้สึกมันมีความสุขมากรู้สึกมีชีวิตชีวา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 ใกล้ตายซะก่อนค่อยมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีและเห็นความจำเป็นของการสร้างสร้างสมบูรณ์กุศลนะไอตอนที่เรายังปกติดียังหนุ่มยังสาวไม่ป่วยไม่ใค้นี่แหละนะมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ตระหนักนะว่าเรื่องการนะทำความดีสร้างสมุนกุศลนี่เป็นเรื่องสำคัญกว่านะคนเราเนี่ยนะ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 เรียกง่ายๆว่าธรรมะเนี่ยนะบางทีพระเจ้า ก, ก็เรียกเป็นอริยทรัพย์นะอริยทัพย์เนี่ยนะสำคัญกว่าไอ้ทรัพย์ที่เราเห็นที่จับต้องได้คนฉลาดเนี่ยจะเห็นคุณจะให้ความสําคัญกับอริยทัพย์หรือว่าธรรมะมากกว่ารู้ว่ามันเป็นของที่ประเสริฐให้ความสุขที่แท้มากกว่า เงินทองทรัพย์สมบัติหรือแม้กระทั่งการมีสุขภาพดีด้วยซ้ำนะมีสุขภาพดีแต่ว่าจิตใจนะเข้าไม่ถึงธรรมะนี่มันก็ท ร, รมานนะมีผู้ชายคนหนึ่งอายุเก้าสิบเจ็ดละอายุยืนนะตั้งที่กินเหล้าสูบบุหรี่นะเรียกว่าเหล้าบุหรี่การพนานนี่ครบหมดเลยรวมทั้งผู้หญิงด้วย นะขนาดกินเหล้าหนักนะสูบบุหรี่ก็เยอะนะไม่เจ็บไม่ป่วยนะมีอายุอยู่หนึ่งอายุเกสิบเจ็ดตาก็มองเห็นหูก็ดีอันนี้เรียกว่าโชคดีมากเลยนะแต่ว่าก็ไม่มีความสุขนะทั้งที่มีเงินทองมากมายอยู่บ้านไม่ได้นะขนาดไม่ค่อยมีเรื่องไม่มีแรงนละ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 ไปเที่ยวไหนก็ได้ขอให้เที่ยวแล้วต้องพาไปกินอาหารที่อร่อยนะมีเงินเยอะตอนหลังเนี่ยเมียทนไม่ไหวนะเพราะว่าแจคอยรบเร้าให้คนให้เมียพาไปเที่ยวตลอดเวลาเมียก็หนีไปหลานก็มาทำหน้าที่แทน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 แกก็มีโชคนะสุขภาพก็ดีนะอายุก็สิบเจ็ดอายุยืนต้องเรียกว่าได้ทําบุญทํากุศลมาอไม่ใช่ชาติเนี้น่คงต้องชาติก่อนที่แล้วชาติที่แล้วเพราะชาตินี้แกไม่ทําบุญทํากุศลเลยมีเงินก็ไม่เคยทําบุญวัดวาก็ไม่สนใจนะเรียกว่ามี ม, ม, มีมนุษยสมบัตินะมนุษยสมบัติคือว่าการมีลาบการมีทรัพย์การมีสุขภาพดี นะมีคนดูแลใจใสแต่ว่าใจเนี่ยนะไม่สามารถจะสัมผัสรับรู้ถึงความสุขนะจากอริยศัพย์ได้แล้วก็ทรมานมากนะอยู่กับบ้านไม่ได้ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ต้องหาทางหนนะีไปเที่ยวตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าน่าสงสารนะมีมนุษยสมบัติแล้วแต่ว่า ไม่มีความสุขเพราะว่าขาดธรรมะไปถ้ามีธรรมะเนี่ยนะมันก็จะอยู่คนเดียวได้นะอยู่บ้านก็มีความสุขนะเพราะว่าได้ฟังธรรมะได้ทำความสงบด้วยการตามลมหายใจนะหรือว่ารู้จักประมารู้จักพอดีหรือไม่เช่นั้นเนี่ยก็ใช้ร่างกายที่ดีเนี่ยไปทำบุญทากุศล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 แต่เรื่องผู้หญิงนี่ก็ยังไม่เลิกนะอายุแคสิบเจ็ดแล้วนี่ก็ยังมีความต้องการอยู่นะอันนี้นางองศาลนะคนบางคนนีนะ่แม้เขาจะมีโชคมีลาบนะมีสุขภาพดีแต่ว่าไม่มีความสุขเพราะว่าไม่สนใจนะนะอริยทรัพย์ไม่สนใจธรรมะแล้วนะคนที่มีธรรมะเนี่ยนะในทางตรงข้ามนะถึงแม้เจ็บแม้ป่วยนีย่เขาก็มีความสุขได้นะ เขาก็พอใจนะกับชีวิตที่มีอยู่อาศัยธรรมะนี่แหละช่วยรักษาใจให้เป็นสุขได้แม้ว่าร่างกายนี่มันจะย่ำแย่ถ้คนเรานี่ถ้าเราไม่ค่อยไม่ได้นึกถึงความตายไว้บ้างนะมันไม่ค่อยเห็นคุณค่านะของการมีอริยทรัพย์นะไม่ได้เห็นว่าเออสักวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราต้องแก่ต้องเจ็บเนี่ยนะ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 อริยทรัพย์นี่สำคัญกว่าทรัพย์สินเงินทองนะในสายพุทธการเนี่ยนะมีอุบาสิกาท่านหนึ่งนะวันหนึ่งได้ข่าวว่ามีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแสดงธรมรมพะท่านนั้นคือพระโสดาชือเป็นพระอรหันต์มาเยี่ยมบ้านนะอุบาสิกาท่านนี้ก็สนใจนะไปฟังธรรม ท่านแสดงธรรมตอนกลางคืนก็ไปฟังธรรมคนก็ไปฟังกันเยอะเลยก็บังเอิญมีโจรกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะเขาพอรู้เนี่ยก็ฉวยโอกาสเลยนะไปป้นเข้าของนะไปขึ้นบ้านของเศรษฐีนีคนนี้ให้ลูกน้องนี่ไปขนเอาทรัพย์สมบัติออกมาให้หมดส่วนหัวหน้านี่นะคอยซุ่มอยู่ตรงศาลา คอยดูว่าเจ้าทรัพย์เนี่ยเจ้าของบ้านนี่เขาจะกลับมาบ้านไหมถ้าเขาลับมาบ้านก็ต้องฆ่าเพื่อไม่ให้มาขัดขวางการป้นก็หลองที่โจนเนี่ยคนบ้านอยู่เนี่ยคน้นยกข้าวยกของอยู่เนี่ยก็มีคนมาบอกนะอุบาสิกาเศรษฐินีท่านเนี่ยว่าเนี่ยโจมาป้นบ้านแล้วแทนที่จะตกใจแทนที่จะเสเียดายนะก็บอกว่าอย่าให้ ก็ บ, บอกว่าเนี่ยโจรจะปล้นก็ปล้นไปมันจเจ้าก็เอาไปฉันจะฟังทำอ่เขาก็เตือนอย่างนี้นว่าเนี่ยรีบกลับไปบ้านเร็วนะโจรมันกำลังจะเอาทรัพย์สมบัติไปหมดแล้วเสรจทีนี้ก็บอกว่าอย่ามารบ ก, กวนฉันนะใครจะเอาก็เอาไปฉันจะฟังทำพูดอย่างนี้ถึงสามครั้งนะให้โจรที่มันซุ่มอยู่เนะี่ยหัวหน้าโจรเนี่ยพอได้ยินเนี่ยก็เกิดความ สงสัยขึ้นมาเลยว่าธรรมะนี่มันสำคัญยังไงนะนะขนาดรู้ว่าโจรจะปนบานยังไม่สนใจเลยเห็นว่าธรรมะสำคัญกว่าทรัพสมบัติก็เกิดความสนใจธรรมะขึ้นมานะแล้วก็เริ่มใส่ศรัทธานะในเศรษฐีนี่คนนี้สุดท้ายก็กลับไปบอกลูกน้องว่าไม่ต้องป้นละเอาของคืนนะเพราะว่า คล้ายๆแพนนําใจนะของเศรษฐินีคนนี้แล้วก็คิดว่าเนี่ยเศรษฐินีคนนี้แกมีของดีนะของดีที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สมบัตินะไอ้ของดีที่ว่านี่คืออะไรก็คือธรรมะคือศรัทธาเนี่ยพระธรรมนะตอนหลังหัวหน้าโจร น, นะก็เกิดสมาทานในภารตะนัดไตรนะแล้วก็บวชพร้อมกับลูกน้องนะอันนี้ก็ น่าคิดนะถ้าเกิดว่าเศรษฐีนี่คนเนี้ยแกห่วงทรัพย์นะมีคนมาบอกว่ามีโจรกําลังจะป้นบ้านเอาทรัพย์สมบัติไปถ้าแกห่วงทรัพย์นะแกคงตายไปแล้วเพราะว่าหัวหน้าโจรเนี่ยคอยนละ้คอยเตรียมเก็บคอยกําจัดนะถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านกลับบ้านมาแล้วก็ฆ่าเลยไม่ให้ขัดขวางการป้นทรัพย์ของตัวแต่ว่าคาดผิดนะเจ้าของบ้านไม่สนใจทรัพย์ ก็ เ, เห็นว่าอริยทรัพย์มีความสําคัญกว่าถ้าพวกเราชาวพุทธนี่เราต้องนะต้องเห็นความสำคัญนะว่าอริยทรัพย์นี่มันประเสริฐกว่าทรัพย์ธรรมดามีเรื่องเล่านะว่าเกี่ยวกับหลวงปู่ดูนะหลวงปู่ดูลพรมปัญญาวัสแกเนี่ย <c oughs> มีคราวหนึ่งก็มีพระนะพระมาบวชได้ชั่วคราวนะคงไม่ได้บวชนานนะ ก็พอบวชได้โค ก, กําหนดแล้วก็จะสึกก่อนจะสึกก็มากราบหลวงปู่ดูแล้วก็ขอพรจะได้เป็นสลีดมงคลให้หลวงปู่ดูเนี่ยพรมน้ํามนต์ให้ด้วยหลวงปู่ท่านก็ทําให้นะพรมน้ำมนต์ลองที่พรมน้ำมนต์เนี่ยพารูกนั้นเนี่ยก็อธิษฐานว่าขอให้ร่ารวยมหาศาลขอให้ลาบผลทวีนะมีเงินใช้มีกินมีใช้ไม่หมดนะจะได้แบ่งมาทําบุญบ้าง หลวงปู่ดูเนี่ยพร้มนอกมันไปนะพอพรมใสรท่านก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้ที่ท่านคิดนะนะมันต่ําเกินไปนะ ไ, ไม่รู้ท่านรู้ได้ยังไงนะเพราะที่ท่านที่ท่านคิดเนะี่ะมันต่ําต่ไม่ไม่คิดให้สูงเข้าไว้ล่ะนะแล้วที่ท่านคิดเนี่ยมันจะตามมาเองพานั่นตกใจเลยนะหลวงปู่รู้ได้งไงว่าเขาคิดอะไรอยู่ในใจนะดิที่ท่านเตือนนี่ดะนะ หวังราบนะหวังราบหวังผลให้มันทวีร่ํารวยมหาศาลนี่ถือว่าเป็นการคิดต่ํานะะเรียกว่าไฟต่ําก็ได้นะเพราะว่ามันมีสูงกว่านั้นนะมันมีสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นก็คือธรรมะคือนิพพานนะนะคืออ่าความสุขนะที่เกิดจากคุณธรรมความดีอันะนี้อย่างอันนี้สูงนะสูงกว่านั้นสูงสุดก็คือนิพพานนะ ถ้าจะคิดนะถ้าจะคิดถ้าอยากจะได้ก็นึกถึงนิพพานไปเลยนะไม่ใช่มา น, นึกเรื่องอยากจะรวยขอให้มีอาลาบมีโชคนะเวลาทําบุญพวกเราก็เหมือนกันนะเวลาทําบุญเนี่ยนะก็อย่าคิดแต่ว่าเรื่องว่าขอให้รวยนะขอให้มั่งมีอันนี้เรื่างคิดต่ำนะมันมีที่สูงก่า น, นั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีฉลาดนะเวลาเขาจะทําบุญเขาก็ อธิษฐานสั้นๆ น, น, นะนิาพานัปติโยโหตุไว้เป็นปัจจัยไปสู่นิาพานเลยไอ้เรื่องได้โชคได้ลาบนะมีลาบมีผลนี่มันเล็กน้อยไปเพราะว่ามีเท่าไหร่นะมันก็ไม่ทำให้มีความสุขได้หรือแม้แต่มีสุขภาพดีก็ไม่ทำให้มีความสุขได้อายุยืนเป็นร้อยนะแต่ว่าอาจจะอยู่แบบทุรนทุรายก็ได้ท่านั้นที่ไม่ได้จะไม่ได้ป่วยนะอย่างคนปู่คนที่ว่าเนี่ย ถ้าไม่มีธรรมะแล้วมันอยู่ที่ไหนก็หาความสุขได้ยากนะแะ้ทรัพย์สมบัติจ ะ, ะเพียบพร้อมก็ตาม